ท่านผู้คะรายการสัมมนาสนสทนาคะ่ะต้อนรับคุณในยามเช้าตรู่เลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการเริ่มต้นของวันที่ดีถึงแม้ว่าบางครั้งเราก็อยากมีทั้งรายการที่ต้อนรับท่านเริ่มต้นวันแล้วก็สายๆหน่อยแล้วก็ตอนก่อนอาหารเที่ยงหลังอาหารเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นเวลาที่คนยังตื่นอยู่สาหรับคนที่ นอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเป็นเพราะเราเชื่อว่าจะได้ครอบคลุมกับทุกๆ ท, ท่านมีโอกาสเท่าถึงทมด้วยกันหมดเพราะบางคนเช้าไม่มีโอกาสฟังบ่ายไม่มีโอกาสฟังแต่รายการธรรมะนี่จะเป็นรายการที่เขาชอบให้ไปอยู่เช้าจัดดึกจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรนะคะเผื่อเดีวฉันก็ได้แต่ภาวนาว่าในปีนี้น่าจะมีใครให้รายการธรรมะไปปรากฏในช่วงเวลา ดีที่สุดที่เขาเรียกว่าพรามทานกันให้มากที่สุดจะขออนุโ ม, โมทนาท่านที่ตัดสินใจได้อย่างนี้ให้ได้บุญสูงสุดกันไปเลยวันนี้เกริ่นเข้าช่วงท่านไปบุญยาวไปนิดนึงรีบไปหาท่านกันเลยดีกว่านะคะเปิดธําที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะมรสการค่ะท่านค่ะเชี่ยพรค่ะจะมีโอกาสไหมคะภาวนาให้รายการย้ายมาอยู่ช่วงพรามทานออคิดว่าถ้าเขาเห็นความสําคัญนะมันก็ได้นัในหลายๆ ครั้งเหมือนกันในช่วงไพร์ e ไทม์เนี่ยก็ยังมีธรรมะสอดแทรกนะสามิบวินาทีบ้างนาทีหนึ่งบางก็ก็ยังดีอยเนาะค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะเรียกร้องกันต่อไปพราะเนี่ยไปศึกษาหลายสถาบั น, นเลื่อยมาโดยตลอดนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ได้พบอยู่อย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะในการพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนานาเนี่ยทั้งๆที่ เราเห็นนะคะว่าเรื่องธรรมะนี่จาเป็นแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ อ, อาจจะพูดเฉียดไปเรื่องต้องมีคุณธรรมต้องมีอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ค่อยเจาะไปในเรื่องว่าสมมุติอย่างปีเนี้ยถ้าดิฉันอยากจะพูดมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาทุกประเภทนะคะ อ, อย่างสมมุติเรื่องความมั่นคงเนีย่ยดิฉันคิดว่าถ้าธรรมะนะคะได้จาหลักในหัวใจของ ผู้ที่เป็นศาสนิกทุกๆคน ม, มันเกิดความมั่นคงในตัวของคนนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันน่าที่จะเป็นความมั่นคงของทุกเรื่องเลยโอแน่นอนเอาง่ายๆเอาเรื่องแค่ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบ็ดเบียนใช่ไหมถ้ า, ถาเรามีสามอย่างนี้นะเราไม่ต้องพูดถึงม็อบที่เขาจะมาก่อกันนะด่าออกเวทีออกทีวีไม่ต้องพูดถึงไม่มี ว่าปัญหาหลายอย่างจะลดลงไปมากเอาศีห่าง่ายๆโอุ้ยมันหลายอย่างจะลดลงไปมากแทนที่เราจะออกอะไรพระราชกฤษฎีกาออกกฎหมายต่างๆที่มันจะมาอให้ประชาชนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําสิ ต, ติออกมานะักชนชั้นกลางเป็นอย่างนั้นให้ใดําเนินนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเรามาเน้นศีนห่าเรามาเน้นเรื่องของสมาสังกปะเนี่ยจะแก้ได้ทุกเรื่องเลยค่ะเอ่อประเด็นที่คุณยมติวพูดถึงว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมก็เพราะว่าอ คืออาจจะไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจในพระเจ้าเต็มที่ค่ะคือดิฉันไม่รู้เข้าใจผิดแล้วหรอคะดิฉันไปอ่านพบในในเว็บไซต์ของสภาของอังกฤษเขาพูดว่าก่อนที่จะมีการประชุมจะมี prayer time ะคะ่ะอ่าฮะคือเหมือนกับจะต้องมี อ, มอ่าการสวดมนต์อ่าสวดมนต์กันก่อนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็ฝันเหมือนกันนะคะ แล้วก็ได้ได้เสนอความคิดเนี่ยเป็นอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วบอกว่าเอ๊ะทาไมไม่ทําถวายพระพุทธเจ้าเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธในช่วงปีที่เขาเฉลิมฉลองกันเนี่ยแต่ละองค์คารพยพก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปใช่ไหมคะใช่ใชอย่างสภาหรือคอรมมออย่างเงี้ยเราขึ้นคาถาเลยคือพูดถึงเรื่องเรื่องของคําสอนที่ดีๆก่อนสวดมนต์สักนิดนึงเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเคารพ หรืออ่าอะไรคะก่อนที่จะเข้าไปทำงานอาจจะจัดที่มีการฟังธรรมอืมอะไรเงี้ยดีมากๆากดีาดะะมากมาขายความคิดไปแล้วกันค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าอ่ามันไม่ผิดแปลกที่เราจะทำให้ถูกกาละเพราะว่ากาละแห่งการเฉลิมฉลองภาษาสดาของเราในปีนี้เป็นโอกาสสำคัญมากๆใช่ เออแล้วก็ถ้าเราทําได้นะคุณโยมติยวคือเราเริ่มเดืนเล็กระน้อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปได้ไปได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนตุ้มตามอะไรขึ้นมาแต่อย่างน้อยมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นหรอกค่ะดิฉันขออนุ ญ, ญาตยกเปรียบกับเรื่องของเด็กเล็กๆเกข้าวัดเนี่ยนะคะบางทีเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเดือนไปเห็นภาพวันที่เห็นห น, น่ารักจังเลยคือเด็กคากร์ดุกกระดิ๊กนะคะคานเข่าเข้าไป อของไปถวายพระและกราบพระด้วยท่าทีนอบน้อมถวายด้วยท่าทีเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ทําแค่นั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้ว่ามารยาทในการอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าควรทําอย่างไรแล้วก็ได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งมันเป็นจิตที่ละเอียดใช่จิตที่งดงานใช่ใช่เป็นต้นเรื่องนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกค่ะอืม เพินมพิบูลค่ะทีนี้มาถึงวันเนี้ที่ลันอยากกลับเรีย น, านทางไปเจอบทความเขาเขียนขึ้นว่าการใช้กําลังทำร้ายร่างกายอืมผิดศีลออันนี้ถือว่าผิดศีลไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าในศีลจะพูดถึงเรื่องของการฆ่าอออืมศีลข้อที่หนึ่งถูกไหมที่พูดถึงว่าเจตนาอันคือเธอตั้งเจตนาไว้ในการที่จะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือมีเจตนาในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเจตนาจะฆ่าเราไปฆ่าแล้วแต่เขาไม่ตายค่ะคุณมีเจตนาฆ่าเราไปฆ่าแล้วแต่เขาไม่ตายก็แสดงว่าผิดศีลไหมผิดแล้วนะคือผิดตั้งแต่เจตนาแล้วต่อให้เรายังไม่ได้ตีไข่แต่แค่เรามีเจตนาว่าจะไปฆ่าคนนี้เนี่ยเราเราก็ผิดละยังไม่ได้ลงมือด้วยนะค่ะผิดแล้วผิดความปกติที่พระเจ้าตั้งไว้วิสีคือเจตนา ค่ะอ่าคือเพราะนั้นเรื่องทางกายนี่เรายกไว้เลยก็ได้ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไปเกิดตีเข้าหรือเกิดเดินเหยียบหอยอย่างเงี้ยเหยียบให้หอยหอยเกือบตายแนละ้วหรือตายไปเลยด้วยซ้ำค่ะอย่างอย่างวันนี้ฝนตกที่วัดป่ารัไนไนโศกเนี่ยหอยมันก็ออกมานะค่ะก็เห็นซากหอยอยู่หลายตัวเหมือนกันไม่รู้<ฮ>ใครเหยียบเ<ฮ>ออก็ก็จะต้องบอกว่ามันก็ไม่ผิดแต่เพราะเราไม่มีมีเจตนาฆ่าสัตว์ถูกไหมทีนี้นที่ประเด็นนี้คุณยมติยวถามว่าทําร้ายร่างกาย อการใช้กําลังทําร้ายร่างกายทํำร้ายร่างกายเป็นเรื่องทางกายเราก็ยกไว้เลยเพราะมันมันไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นทางจิตสมมุติว่าถ้าคนเขามีตั้งใจจะฆ่าแล้วเขาก็ไปฆ่าแต่ไม่ตายนั่นคือการทําร้ายร่างกายถูกไหมคุณก็เป็นสี่ละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปสมมุติเป็นรูปธรรมหน่อยนะคะสมมติว่าบรรดาโทสะอ่นะคะโกรธขึ้นมาโกรธตบบ้องหูเข้าไปเลยอืมันบรรดาโทสะ ความเร็วของมือเนี่ยมันอาจจะเร็วพร้อมๆกับจิตหรือจิตยังไม่ทันคิดเลยมันมันโกรดนี่เป็นจิตแล้วหรือยังกันอะไรกันเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเป็นเป็นสังขารที่เขาปรุงแต่งมาทั้งจิตแล้วอ๋ออันนี้ถือว่ามีเจตนาแล้วอมีเจตนาในการที่จะทํำลายเบียดเบียนอ่าคือเขาเบียดเบียนกันแน่เหรอเห็นเห็นชัดเจนไปบ้องหูบ้างมีความคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันทํางานยังไงวะแค่เราคิดแค่เนี้ยคุณก็เบียดเบียนเขาแล้วอ่อแค่คิดว่าทํางานยังไงเนี่ยนะคะ เดี๋ยวไมเธอไม่อานวยความสะดให้ฉันเดี๋ยวฉันจะด่าเจ้านายเธอหรือว่าฟ้องร้องอย่างเงี้ยนะแค่คิดอย่างเงี้ยคือการเบียดเบียนแล้วอุยมิชาสังฆปากไงท่า น, นคะท้าสมมติใครขับรถปาดหน้าหรือว่าบีบตาไล่ตั้นๆลงหูดหงิดแสงขึ้นมาหูดหงิดไล่ตามหลังเข้าไปเลยรถเรา ย, ยัางอยู่นี่จิตเราตามหลังเข้าไปถึงรถเขาแล้วอย่างเงี้ยปาดเลยพยาบาทมีความโกรธก็อย่างความโกรธความโลภเนี่ยการเบิดเบียนผู้เนี้ย มันมันเป็นบาปทั้งนั้นเราไม่ควรมีเราไม่มีสิทธิ์มีเลยกากขับรถตามไปดูหน้าซักหน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็ก็คือไม่ใช่ว่ามีแล้วแล้วคุณจะตายหรือว่าคุณจะไปนรกอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ออ ى, มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำให้เกิดอะ่ะถ้าคุณเกิดขึ้นมาคุณก็ออกนอกมรรคใช่ไหมการบรรลุความสำเร็จคุณก็จะชา้าไปทำบ่อยทามากคุณก็เสี่ยงไปนรกอีก อืพูดถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าอาการต่างๆกับสมาธิเคยได้ยินว่ามีคําแนะนําของพระพุทธเจ้าด้วยว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยสมมติกรณีอย่างโกรธในขณะที่กําลังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงขัดหูหโกรธ ก็ต้องดับด้วยเมตตาพระเจ้าเคยบอกว่าโทสะเนี่ยจะระงรับได้ด้วยเมตตานั้นถ้าเรามีเมตตามากโทสะก็ชื่อว่าระงรับไปถ้าเรามีเมตตาอยู่แล้วโทสักก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ที่มันโทสะมันเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้ทําเมตตามาก่อนหน้านี้หรืออย่างอารมณ์หลงอารมณ์ก็เรียกว่าโลภไปอยากได้ของสวยงามอย่างเงี้ยก็แสดง ว, ว่าคุณไม่ได้เจริญอสุภาพให้มาก ถ้าคุณเจริญอสุภะให้มากเห็นโทษของสิ่งสวยงามนะอารมณ์ราคะตรงนี้ก็จะไม่โกรธไม่เกิดขึ้นราคะเนี่ยจะระงับได้ด้วยอสุภะอืมค่ะแล้วก็เจ <shortly. S 1> ้า <us> ต in ัวเบียดเบียนใช่ไหมค่ะตัวเบียดเบียนเนี่ยพระเจ้าพูดถึงความคิดฟุ้งซ่านดีกว่าความคิดฟุ้งซ่านความคิดนู่นคิดนี่เนี่ยนะพระเจ้าให้ระงับได้ด้วยอนาปานสติอนาปนสติจะระงับความฟุ้งซ่านได้ นะอสุภะจะระงับความราคะได้เมตตาจะระงับโทสะได้เนคือเหมือนกับว่าไปเห็นผู้หญิงสวยๆผู้ชายหลอ่ลอๆแล้วเกิดคลั่งคล้ายกำนัดลุ่มหลงไปอันนี้คุณพิจารณาสุภาเลยอ๋อให้พิจารณาชายหนุ่มหญิงสาวรูปล่อแสนสวยนี่ตอนที่เน่าอย่างนั้นเลยโดยความเป็นของไม่สวยงามอืมค่ะคิดตอนแก่ตอนเหี่ยวยน่นหย่อนยานใช่จะช่วยได้ช่วยได้ แล้วถ้าฟุ้งซ่านให้อานาปานาสติะจะระ ง, งับจิตที่ฟุ้งซ่านได้มีคนถามคำถามดิฉันเขาบอกว่าเขามีความทุกข์เพื่อนรักเขาคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ดีมากๆเลยแต่มีความเชื่อแบบหนึ่งก็สมมติว่าเชื่อว่าพระเนี่ยรับเงินไม่ได้นะคะคนนี้ก็จะโกรธเกรียวเป็นฟืนเป็นไฟออกอาการทุกครั้งที่เห็นพระเนี่ยรับเงินโยม นะคะคือเหมือนก็ว่าไม่ใช่วางเฉยนะแสดงความโกรธความไม่พอใจให้ปพอแล้วค่ะจะด้วยคำพูดหรืออะไรกันแล้วแต่ด้วยนะนะคะ ม, มเขาบอกว่าอีกคนเพื่อนเพื่อนของดิฉันคนนี้ก็เป็นคนที่ศรัทธาประสงค์สุปฏิปันโนอื่สอนดังๆเนี่ยเหมือนกันเขาบอกว่าไม่รู้จะช่วยเพื่อนเพื่อยังไงดีอพ อ, อที่จะแนะนำเขาตามพุท ธ, ธวจนะ ได้ไหมออให้เขาเข้าใจแล้วก็เลิกเป็นแบบนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเพื่อนคุณจะหลงไปเชื่ออะไรในสิ่งที่เขาบอกว่ามันสุดโต่งไปนิดนึงแล้วก็มันไม่น่าจะใช่วิธีที่ดีเพราะดูเหมือนกับว่าถ้าเขาเข้าถึงธรรมะเขาไม่น่าเป็นคนมีพฤติกรรมแบบนั้นอืมอเอ่อทีละประเด็นก่อนอันแร ก, กคื อ, อคําว่าดีเนี่ยคําว่าดีเนี่ยคุณต้องมีเขาเรียกไปเกณฑ์ในการวัดธรระชาติมีเกณฑ์ในการวัดทั้งหมดสิบอย่างส่วนที่เป็นเรื่องของกายสี่สามอย่าง นั่นคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยอไม่ฆ่าไม่ลักไม่เพ้อผิดในการสามอย่างส่วนเรื่องวาจามีสี่อย่างนั่นคือเรื่องของสมมาวาจาใช่ไหมส่วนเรื่องของทางจิตเนี่ยมีอยู่สามอย่างคือไม่พยาบาทนะไม่มีอภิชาคือความเพ่งเลงแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิครับถ้าคุณมีสิบอย่างนี้คุณเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาที่บอกว่าคนนี้เขาเป็นคนดีคนดีเนี่ยอาจจะยังดีไม่เต็มใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขยังมีพยาบาทอยู่ก็มีความมุ่งร้ายอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่าเขาเขาดีไม่เต็มร้อยเปเ็นต์ละคือเหมือเขาเชื่อเชื่อโดยบริสุทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ทําเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ได้โกรธเฉพาะพระสงค์นะคะแต่เขาจะโกรธคนที่เอาเงินเบถวายพระด้วยก็แสดงว่ามีพยาบาทไหมล่ะออพยาบาทนี่คือความมุ่งร้ายนะคุณยมติวมุ่งร้ายเช่นว่าอยากจะให้เนี่ยมันตายอยากจะให้มันชิปหายอยากให้นมันเสื่อมไปเพราะความที่เขาทําไม่ดี คุณไม่มีสิทธิคิดอย่างนั้นจะมีอุบายยังไงที่จะแก้ไขผู้ที่เป็นแบบนี้ไหมคะโอ้พระเจ้าให้ทำงี้คนที่มีปัญาบาตมากๆเนี่ยคุณต้องเจริญเมตตาบา่อยๆถ้อจิตเรามีเมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเราเห็นสัตว์ตัวไหนเห็นใครก็ตามก็จะมีแต่ความรักความเมตตาจิตที่จะมุ่งร้ายเขาเนี่ยก็จะลดลงคือตัวบุคคล น, นั้นเนี่ยเขาต้องเจริญของเขาเองนะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุศลบายเช่นว่าอเธอเรามาเจอเฉลยเมตตากันเห็นสิ่งนี้ก็รักเห็นสิ่งนี้ก็รักรักแบบความรักความเมตตานะค่ ะ, ะเราก็จะทําให้เขาคลายนิสัยตรงนี้ไปได้และถ้าหากว่าเฉพาะประเด็นนี้เลยนะคะเรื่องพระรับเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องล้ำพังพุทธวจนะของพระพุทธองค์ในพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ย คิดว่าถ้าเขาได้เข้าถึงอย่างถูกต้องแล้วจะแก้ได้ไหมและถ้าได้พุททวัจนะ น, นั้นเป็นอย่างไรเอพิกษุรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองหรือเงินหรือยินดีในเะทาหรือเงินที่เขาเก็บไว้ให้ก็เป็นนิสกิยาปจัจจิตนะ เ, เ, เป็นอาบัตประเภทหนึ่ง อ, อที่ควรจะต้องทําให้ความเข้าใจขึ้นไปอีกก็คือว่าระบบของการมีวัยวัจกรพูดทําการแทนสง์ถ้าเขาเข้าใจระบบบบนี้ ก็สามารถที่จะทำให้เขาคลายความคือเข้าใจผิดให้ถูกได้อะค่ะและ<อ>้วพูดที่ถวายแล้วคะในเมื่อคนที่ทำบุญด้วยเงินเนี่ยก็อาจจะไม่มีความรู้เขา<อ>บาปไหมคะคือถ้าเขามีความมุ่งร้ายเขาบาปแน่นอนค่ะอ่าหมายถึงคนที่ถวายใช่ไหมใช่ค่ะแบบว่าเนี่ยไปตอนเช้าทาจะไปทำงานเนี่ยโอ้อเห็นพระไม่มีอะไรจะทำบุญเอาเงินใส่บาตรพระก่อนเลยอเอาเงินใช้ไปเลย อ, อ, อืถ้าจะพูดถึงเจตนาเนะี่ยมันก็อาจจะเป็นบาปได้นะคือคือถ้าจะให้เนี่ยก็ควรจะให้ให้ถูกระบบถูกวิธีพระนี่บินาบาเพื่อหวังอาหารเท่านั้นเองอย่างไงี้นะค่ะคือแต่ดิฉันเข้าใจว่าถ้าไม่มีถ้าไม่รู้ก็ไม่น่าผิดนะคะกฎหมายไม่รู้แล้วผิดไห ม, มแต่กฎหมายนี่ กฎหมายใจแคบกว่าธรรมะนะคะคือสมมติเราเราฆ่าสัตว์เนี่ยหรือว<ภ>่าเราทําความไม่ดีใช่ไหม<ภ>ยังไงมันก็ต้องได้ผลมันเป็นระบบของของกรรม อ, อ่า<ม>บาปมากบาปน้อยเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นความปรารถนาดีของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนดิฉันก็จึงเชื่อนักหนาเลยค่ะในทุกเรื่องเลยนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันจะน้อยลงถ้าหากว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยได้รู้กันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะ ความรู้ในพระพุทธศาสนานะคะท่านอาจารย์วันนี้นรสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเดินผ่านไปฟังท่านไปบูร์กันได้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ไปไหนนะคะส่วนรายการสัมมนีสนทนาเราเนี่ยมีโอกาสได้พักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์คะ่ะท่านมาร์กก็ยังทางานอยู่ที่วัดนาป่าพงนะคะคื อ, อมีกิจเยอะส่วนขําเนี่ย ที่วัดนั้นพระอาจารย์ครกสติกกวางระบบก็จะมีการสนทนาธรรมทุกวันเสาร์หรือจะเปิดไปดูทางเว็บไซต์ h a t n a p com ก็ได้นะคะส่วนรายการของเราปี5วันจันทร์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยใครมีคำถามส่งไปให้ท่านพิบูรลที่เพีวธรมะ com/ 1 0 6่งรอไว้ก่อนแล้วก็จะส่งมาที่ 02-269-0006 กก็ได้เป็นหมายเลขเดียวกันนะคะ ที่ท่านจะขอหนังสือพุท้ทวจนะไปอ่านด้วยสัปดาห์นี้อย่าลืมนําเอาวิชาความรู้จากคําสอนของพระศ า, ศาสดาไปลองประพฤติปฏิบัติกันดูและขอให้ท่านพบกับความสวัสดีในการที่นําพุทวจนะนั้นไปใช้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพุ้ทวัตสวัสดีค่ะ